คือว่ามณีเป็นมือวันที่พุทะองค์ได้ทรงแสดงธรรมธรรมโอวาทแสดงโอวาทประปาติโมกให้เราภิกษุสงฆ์ที่หลวนจะเป็นพระราคันที่พุทธองค์ได้ทรงในบวชให้บวชกับพระพูดิเจ้าเมื่อเมื่อบวชแล้วนี่แล้วก็มีข้อมดมฎีวา่ามณีเป็นมือวันอที่จะต้องได้ฟังธรรมฟังโอวาทของภูดิเจ้า ต่างคนกันต่างมีหัวใจแอนเดียวกันมาต่างคนกันต่างมีหัวหวใจแอนเดียวกันใกนการที่จะไปฟังโอวาทของพระพุทธเจ้ามาบันิมาบพราโดยโดยที่บระเรนัดหมายยังกันมากมาานัดหมายกันนี่กันพันสองรอยหาสิบลูกอันนี้ที่ว่าเป็นปฏิหารนี่เป็นคือิอาการปฏิหารเกิดขึ้นในในในศาสนาของพุทธศาสนาของเขาแต่ขนาดสังคมในปัจจุบันนี้ ขนาดนัดเนี้กันแล้วมีหนังสือเชื่อเชิญกันแล้วนี่กันแล้วกันยังยังจบอบอไปบอมาอันนี้มันเกิดขึ้นร่วนแต่พระเป็นพระอารหันในการการปฏิบัติการกระท่ำทำโอวาที่พระพุทธ อ, องค์ในสอนอะไรตัดแก่พิสูจน์สองพันสองรอยหาสิบรูปเราว่าสาัพพะปัตตะการลนั้งการวัฒนบาตทัท้งปวงกุศลัสูปราสัมปธาการทํากุศลอยถึงพร้อม เศรษิตตาประโยชน์ทำนัณณการชําราจิตของตนให้เขารอบการบวทั้งบาปทั้งปวงเหตุอย่างไร <c oughs> ขันว่าบวชทั้บาป ก, ก็บวไปตบยุ่งตียุ่งยุ่งมันขัดกระป๋อยมันขัดกินอิม่มโอ้ย ส, สัตเพสสัตตาสัตว์ทั้งหลายพอให้กินกินอิ่มแล้วก็ป๋าหูหุ่งเหลานเลยสัประสัตทั้งหลายอากินไปนี่ไปกินแล้วก็อิม่มอิ่มแล้วก็ขาใ ห, ให้นี้ไปอาบางคนเมตตาถึงขนาดที่ว่า อยุ่งกิ น, นยุ่งกัดไม่ยั้งกัดกระตามนี่กระตามอ้อเพะไปไล่เราไปเต้องไปไปต้องเพราไปไล่ไปนี่กับเขาเนี่ยเขาแม้แต่สี่าสิตีรู้สึกว่าโอ้ย่านบาปย่านบาปกลัวบาปบาป ท, ท, ที่มันเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นเขามีศีลแล้วปีหนึ่งพวกอาหารยัมันไข่รอบแปดหรือไข่ได้ก็ะบอกักจิงจกอะรหลายปีมาแล้วมารักษาศีลมั น, นกระบอกเขานี่นะ า, ารักษาศีลมา น, นอนอยู่ไหนจากสามหมื่น ไม่ออกทีท่ระบ้านคุณกาคิาาดทอดคิดถึงกันพยายามกันธรรมดาพยายามกันแล้วเพค่ณก็ไปปักกฏอยู่ทั้งเพราะนี่รอสนสนนะคุณ <c oughs> าภาษาขัวกั็เมียเนาะมาหอดแล้วก็สามเมือกเลยรู้สึกว่าคือมันมันมันมันเป็นโอ้มันรู้สึกมันโดนมันทรมานโดนคิดทอดคิดถึงกันมาในกัมาผู้เมียเนี่กัด้วยความด้วยความพับขัวหรือความอย่างกับไปจับแลนเขเห็นขัวท่า น, นแลนเขากอดขัวหล่น หัวก็ย่านัยย่านสินขาดย่านสินที่รับสินจากผ้าในขาดในขาดเมียกอดจับแขนเมียฟืดออกเอ้ยไปจะ่าจะมาขอูเดี๋ยวสินเดี๋ยวสินงขาดอะไรกันผาเอเมียก็ตกใจเถอะผัผัวผัวมาเยอะสามมื่นกันโอโห่สิบบ่บวชเพาะเมียกันหนาเละเคล็ดเอาแม่มากคุยไปคุณมากก็เอาคอยมหานีมหาเอาขอโอกาสไอ้เพื่นแนน สามมือเจ็ดมือหามือเท่านั้นหามือเจ็ดมือเท่านั้นเองไอ้ก็ให้เพื่อนรักษาความบริสุทธิ์ของมเพลินไปจากจากเจ็ดมือบั่งด้วยรักษาไว้ก็รักษาไว้ผู้ใดเรารักษาไว้ให้เจ้าคนละความความอยู่ความนี่ของเขากับลองลองเปิดโอกาสให้เพื่อนบึงหรือแม้แต่เฮาก็ดีนี่ก็ดีถันมีความรักษากายรักษาใจของเขาว่ต้องไปสร้างบาปสร้างกรรมไปคิดใจของเขาบ่าเป็นควพันกับไอ้ซิงโมนีมันก็ถือว่าเป็นการสร้างกุศลของเขให้เกิดขึ้นมาได้คือกันนี่กัน พราะฉะนั้าคิตใจของเขาที่ไปพัวพันหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์กับสิ่งต่างๆนี่ต่างๆมันเกิดน่ะบาปที่มันเกิดขึ้นมาจากเจ้าของคือความชิดที่มันเกิดคือว่าอเสวนนาจะพาลานังปันทิตานั่นแต่เสวนาปูชายจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังอเสวนนามันก็ว่าบวบไปคบคนท่านเหมืกันจิตของเขาที่มันเกิดขึ้นจากความหลงคิดจิตของเขาที่มันเกิดขึ้นมาจากอันนี้ของเขาเขาไปเสพไปคบไปคบ สมาชคมกระจิตอันตรพันตัวนั้นไปนี่ไปทําให้เข้าเดือดหนอนทํามาวุ่นวายไปเมื่อใจที่มันปกติมันก็เลยผิดปกติไปนี่ไปเพราะฉะนั้นเปรนาวาหกลับมารวมมารวล่วมสติสัมมิชัญาของเข้าในไหวป้องกันตนเองเขาว่าให้ไม่เห็นดีเมื่อป้องกันตนเองของเข้าไปดีได้ชัดเจนในดีในดีอาล้มต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมัแผ่วพานขึนมากระเบมันก็ะเบรย์วันไหวก่ะเบรมีตกของวักระสิ่งมุนั้นเพราะฉะนั้นว่าการการบ่ทําบาวว่ามันจะพ่อขาดแต่สัตว์เด็ก่มันขาดแต่พอชัด สัตสัตเรียว่าสัตสัตตุรีมันอาจจะเป็นงานสัตจะทำสัตจะทำที่มันมีในตัวคนทุกคนคนทุกคนสามารถที่จะบรรลุอ่าสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ดิะเจ้าได้คือกันนี่กันสามารถรู้ได้เห็นได้ครับผู้ดิจเจ้าผู้ดิเจ้ารู้จังไดคนทุกคนก็สามารถรู้ได้คือกันนี่คือกันขอให้ขอให้เปิดเรียว่างายของที่ความเปิดของที่ปิดเอาไว้แน่จากน้อยย่าเอาความที่ย่าเอาความเห็นอ่าเห็นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาเห็นมาหนีมาไวเจ้าของขยเหตุเคยทามาแบบนี้ ทำมาแบบน no ี้เพราเอาผู้ใดยินได้ยินเนีฟังมาบพบอแมนนี่บอแมนต่ำระคําสอนของผู้ได้เจ้าเหมือนกับปีหนึ่งเราทามาถูษอยู่เมืองเลยอไปพูดเรื่องทําบุญบูญจักบุญกับบ่ได้บุญเหมือกันทําบุญถึอบุญกับได้บุญดีๆทําบุญบูญจักบุญกัเอาบุญบ่ได้เพราะขาเจ้าว่าเขาเจ้าว่าขาเจ้าเขาใจว่าพวกเขาว่าทําบุญบ่ได้บุญเหมือนกันมันเปลี่ยนกันซับกันทําบุญบ่ได้บุญทำไมทำบุญบูญจักบุญกับบ่ได้บุญ เมื่อทำบุญถูกบุญก็เอาบุญไปได้เขาบอกีนบอกโอ้ยพระิบ่าพระอมนิพน์เท่านั้นมันอมนิน์หลายได้เปี่ยนพระิบ่าพระอมนิพนธ์ี่พรข้อมนิพน์เท่านั้นะสอนใแบบนี้สไสทำบุญไส่ม่ได้บุญนี่ไ่ได้บุญทำบุญก็ต้องได้บุญดีอย่แต่่าพูดมาเถียงมันชีเราเลยโอ้ยออย่างสี่โมแมนต์อกนีมนกมนับสอนผู้ทีเจ้าพระับสอนไถ่ผู้เนี่ยขับสอนรัทีไถ่ผู้เนี่ยมมนต์ขัสอนผู้ทีเจ้าทำไปทำมากเบว่าเป็นมหามหา ประหาเจ็ดอปลว่าเจ็ดประโยชน์งากินเหล่าก็เลยทำอะไรว่าโอ้ ต, อต่ก้อนตะกีตก้อนเนี่เป็นลัก ไ, ฟไฟส้ไห่ศิลมาพอกโอ้ยศิลหาศิลแปลเดี๋ยวผมให้ข้อดีอะไรมาขอขอให้ไว้เนี่ยนนี่ยเราอการอาอย่างกาปานาติปอทินาทานาอา ม, า, า, ามุสสาสุลา้าเมสุเมชาไอตอนว่าไอไอไอสุลาเนี่ เออเอออาอาอา่น้อยนีอย่างน้อยบอกกล้าบอกเหงังไม่นหยังขอว่ามันชัดชัดเพือนละครนี้ว่าสมมติสุรามีระยะมาสมมติแล้วเดนนี่ก SO e> okay? in ินอย่างนี้กินฉี so ่ก็ก um> ินโย่สมมติสอนเขามาแล้วนี่มาแล้วเพียงว่ปฏิบัติ่ันอันนี้บอกคำสอนของผู้เรียเจ้า่คำสอนของมันดีนี้มันดีแต่ขาดการปฏิบัติขาดการเอาใจใส่ขาดการเราขึ้นปฏิบัติตัวเองของเขานี่ของเขานั่นถือว่าเป็นผู้แต่สืบทอดศาสนาเลยบ่เป็นผู้ทํำไรซ้ำเป็นผู้ทํำไร เป็นผู้ทาให้ศาสนาเสื่อมไปสัมปนิสัมปนเพราะอยางพ่อสาวกของปุริเจ้าแม้จะเป็นขลภาวะพิสุพิษุนีอุบาสกอุบาสิกาแต่ดี๋ยวจะย่อมเป็นอุบาสกบนบ่เดนิอันน้ขันอุบาสกยังสเร็จเทมาวลักษณะนิสว่าโบเมนบเปพฤติปฏิบัติตามคำสอนปุริเจ้าเ็สบุญเมื่อเสีได้บุญบ่บันเอาเรอาเอาเอาเรามา่เลี้ยงในงานบุญเราเอาไปมัดกันเอายาเมาเลี้ยงในงานบุญยาเอาไปมด พอเห็นบ่ได้คู่คู่เฮ็ดอีบ่ได้คู่เฮ็ดบ่ได้ยั่งมันเละได้แต่คำย่องย่องย่องย่องย่องยื้อยองกินย่องกินแล้วก็อิ่มหาซื้อน้ำมันย้ำเลืองานเลิกการเลืองานเลือจากงานแล้วนี้แล้วทุกหาเงินมาใส่หนี่ใส่สินก็หมดเลยเพราะฉะนั้นสัจจ์ที่เกิดคึอไมาจากใจของเขาต้องเปิดเผยจากน้อยบัดเปิดออกมาคุ้งกว่างลองเบงนีือลองเบงเหมือนกับพวกเขามาเดินจงกรมนี่นี่ขึ้กันสร้างจังหวะนี่นี่ขึ้กันเฮ็ดปลาลบขมเพี้ยนปลาลบขมเพี้ยนเกิดขึ้นมาได้ขึ้นมาแม้แต่รูปแบบวิธีการ รูปแบบวิธีการนี่เขามันอาจจะบ่สวยบ่งามแต่เราบ่ได้เอาความสวยความงามในการรูปแบบแต่เราออกความรู้สึกไปเราออกความรู้สึกในขณะที่เข้ายกขึ้นยกเข่ายกไปยกมามีความผู้สืบผู้เมื่อมีความมีสติสัมมาชนญาตยุทกณะอิริบด์บ่ได้ออกอดีตบ่ได้อาอนาคตมาวิทเป็นวิตกกังวลอาสิ่งที่พันไปแล้วก็พันไปเป็นปัจจุบันในขณะทุกขณะคณะของเขานี่ของเขายุตลอดเมื่อเป็นลักษณนนี้ยิตของเขากับบ่ได้ไปของแหวบบ่ได้ไปพวพันกับอารมณ์เก่าเก่า่ออารมณ์อดีตบมว่าอารมณ์ต มันเป็นอารมณ์เป็นปฏิบันในคณะความสงบมันเกิดขึ้นมาบันฑ์ความสงบเมื่อเกิดขึ้นมาปุ๊บคุณใมรรคเสน่นี้ยเขาเห็นเราโอ้ความสุขนี่มันมาเกิดจากอะไสความสุขมันเกิดจากความใจของเขาสงบบัณฑ์เมื่อใจของเขาสงบได้นี่ได้ก็มันก็เป็นปกตินั่นแหละเพราะนว่าสัจจะรําตัวนี้สัจจะตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วในตัวคนถูกถกคนพระพุทธเจ้าต่านเว่าปุ๊บลลุงปอเทียนบอกว่าคาค้นเหมือนคามนุษย์นอกขั้นในขั้นคาอันนี้มันก็ว่าคา หาความเป็นคนออกไปบ่ได้หาบ่รับรูบ้ปิดเป็นการปิดกั้นตนเองเป็นการปิดกั้นตนเองนี่ตนเองบ่รับฟังรับรู้รับเห็นอย่งทั้งทัศน์ไฝซิวะไฝซิวน ใ, ในทั้งใหนทังไหนก็ บ, บ่ได้รับรู้รับเห็นเพียงแต่พวกเขาได้ยินในฟังในเราเลี้ยนมาหนีมา ต, ตามทิศิีของตนเองมาหนีมาในยนินในฟังเหมือกับอุ ป, ปการชีวะพบพระพุทธเจา้าตัดสรู้มาใหม่ไมคือกันแสวงหาพระพุทธเจา้าเห็นหรือไมเมื่อแสวงหาพระพุทธเจ้าพอได้ฟังอถามมาท่านอยู่ในสำนักแต่ท่านพ่อใจเน่ทำมาของผู้ใด ให้เป็นคู่เป็นอาจารย์ของท่านบอคือพวกเขาในปัจจุบันนี่เด้เห็นุผลน้องผ่าสีค่ำค่ำสีดําำสีเข้มเข้มยังน้อยอีกน้อยโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยเป็นเนน้องนฝันดีเพราะน้มือว่านนี่คือกันครูกับมานี่ม่หลวงพ่อฝันดีเ่าะฝันดีดีว่าทันอยฝันใครในหลวงพ่อฝันฝันว่าจิตใจของอาตมาเนี่ยสงบดีดีปุ่มีผู้ใดไมาหยุ่งไม่เกี่ยวปุ่มนี้ผู้ใดมาหนี่ของไอ้อัตมารักษาใจของเขาเนียโอ้ยยังมันดีหรือหายนีหรือให้โอ้ยยังมันฝันตือนอยู่คนั้นี้กับฝันมาทันทะ ฝันในใจของเขาของอาตมามีความสงบก็ถูกประโยชน์ใส่แ mm. ม้ตะหลับแม้จ่เตือนอยู่ม <for S 1> ันก็สงบดีบอฝันแล้วหนึงเงินแวเพร่ะบอกฝันบเป็นท่านนะขันยาฝันมาฝันเอาไปท่านนะอาตมาบอกหามบห้ามซิดเรดออกท่านนะอยากได้มาฝันเอาท่านนะอยากได้ตัวดีตัวนี่แหละตัวเขาเบิ้ลตัวเขาดี่ีะตัวปากบ่แวงหูบ่ตาบ่เฉตาบ่เละตาบ่ยังหูบ่หนวกอันนี้ตัวดีไแท้เนี่ย ขันพวกเขาเนียว hmm. ่ามีขันจะได้ของตัวดีๆขันได้เงินได้ทองมากเขาว่าต้องการที่เอาเงินมาทองมาได้จะได้เงินมันบ้ากันขันได้เงินเขาเอาเงินมาให้นี่แค่แสนหนึ่งใครตัดข้อถิ่ปเอาไปเอาเไปหัวไปเสียเป็นหน่าวัดเสียเอาบ้าวันเถอะบ้าเอาแล้วเงินมันเงินแสนได้แล้วใจสดๆตัวหนึ่งใจสดๆนี่จับได้แล้วกันทีอ้อมมีดดาบฟันข้อจึกขาดจั๊กอะไอไปตั้งไว้น่ะเออนี่แหละบุคคลที่เสียสละชีพเพื่อเงินเอกันเอาบ้าแน่นอนเหมกันบ้าแล้วอ่ะเออแล้วเสียังอะไรตัวมันดีกว่านี่ นี่แหลคือตัวดีวันนึงเอาของดีให้เพาอยากได้เดียวมันก็ดีอยู่แต่มันดีคือพระวันนึะท่ว่ามันดีแบบพระเอาพระว่าวนี่พ่อเสื้อพ่อเสื้อเดียววันนึงที่เสื้อผีเดียวันนที่เสื้อผีตดียวนันนก็เสียอยู่แต่มันมันยังมันยังง่นได้วันนเอาเนี่ยคนเท่าน่ะเอาของให้เ่าของดีให้พราะว่อยากได้เนี่ยสมเด็จโตสมเด็จโตเขาบอกว่า เมื่อขวบตัวเมื่อขวบขวบตัวบ้าเขาว่าขวบตัวดีเมื่อขวตัวดีเขาว่าขวตัวบ้าเราธรรมมาธรรมโมให้ฟังให้ญาติโยมฟังนี่ฟังนี่ซึ่งว่าโอ้ยตัวพี่บาฉันเมื่อใดตขวบตัวบอกบัดบอกเบอร์ถูกนี่โอ้ยขวตัวนี่มันดีหายดีขาดอัไรกันเนี่ยมันยังอยากฉันยังอยากได้ยังอยากฉันยังเอาม่ายมัดนี่แหละคือคือสังคมเมื่อเย็ดยื่นสิ่งที่เรียกว่าเป็นน้ำมาทำอยู่ในสุใบใหญ่ใดตั้งหาแต่วัตถุโลกทั้งโลกมันก็เลยเดือดร้อนด้ววัตถุ เหมือนการสงครามกันแที่เกิดเทิมหํามือมั่งกันนี่นี่ก็ะเพาะยังพ่อวัตถุตัวเดียวที่เป็นตัวล่อล่อมาเนี่ยมาต่างคนก็ต่างอยากได้ต่างคนก็ต่างอยากหาอ่าเป็นออกมาเป็นสมบัติของตนเองนี่ตนเองประเทศของเจ้าของมีอกับพยายามที่จะต้องไปหาเอาประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นมาะสสมในประเทศของเจ้าของให้ไประชากรของเจ้าของได้ใส่ได้ใสยได้สดวกสบายเนี่ย เพราะฉะนั้นว่าโลกทั้งโลกขันลดค้อมเห็นเจตัวใดค้อมเย็นลงมันก็ะสืองบเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นเพราต้องคิดฐิมามีต้องมินี่ทิฏฐิมา น, นาเกิดขึ้นมาเมื่อเช้าหนี้ให้กันเมื่อเช้านีก็ซ้อนซ้อนซอนซอน ซ, อ น, ซ, อ, นซอนบอกค่อยๆเนาะซอนในาศาสนิาของคีตเขาบอกว่าเฉียดหลายกวันพวนใจบอกขยุ่กับเหนี่อยกับโตว่าตันว่ามันม เ, เป็นยังไงแเป็นไรว่าตันว่ะไม่รู้มันเป็นยังไงนี่ยังไงนะพ่าตั้งแต่ผ่าตัดมานี้ยมันต้องเป็นปีแล้วก็ไม่หายอะไรตันว่าเอ้า แล้วมันไม่หายเลยรู้ได้ไงว่ามันก็เป็นพยาบาลไม่หายมันเราก็รู้ว่ากําหนดของมันมันก็รู้รูอยู่ว่ามันต้องอยู่ล้วสถานี้ขาด้วงต้อนเราแต่ว่ามันไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าโยมนี้โรคของโยมนี่อาจจะหายเขาจะหายไปแล้วผ่าการแผลผ่าแพลผ่าตัดแพ้อะไรต่างๆนี่อาจจะหายเพราะก็อยู่ขวดปีแล้วนี่แล้วแต่ว่าโรคชนิดหนึ่งมันนโรคชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแทนคือโรคจิตจิตที่เข้าไปคล้องแวะ เฉพาะไอ้ตรงจุดที่มันเจ็บปวดกินไอลงไปนิดๆหน่อยๆมันแน่นท้องขึ้นมานี้มาแล้วก็โอ้ตายตายยังไม่หายเลยเนี่ยเมื่อก่อนแล้วยอย่ากเมื่อก่อนเรากินอะไรรู้สึกว่าอร่อยอร่อยแต่เดี๋ยวนี้ความอร่อยนั้นมันมันจะกินตามปากไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาทําไมเราทําไม่ได้เหมือนแต่เก่า ใช่ชิดเหมือนกันนี่เหมือนกันทําไมคนอื่นเขากินได้ทำไมคนอื่นเขาจะอันนั้นได้นี่ได้อร่อยดีดีนี่ ด, ดีแต่เรากินลงไปนิดหน่อยนิดนแต่นหน่อยก็เผ็ดก็ไม่ได้เค็มก็ไม่ได้ซึ่งมันมันเบื่อเบื่อซึ่งอันนี้เรียกว่ารูปเป็นโรคนั้นหายขาดไปแล้วแต่ว่านามโรคมันเกิดขึ้นแทนทีน่รูปโรคภาษาธรรมเรียกว่ารูปกับรูปเป็นโรคเราไม่มีหน้าที่ไม่มีความรู้ส่วนนี้ต้องให้หมอคอยรักษาแต่ทีนี้ ใจของเราเป็นโรคแม้แต่หมอก็เป็นบางทีหมอก็ยังยังยังโมโหโหมอก็ยังมีความโกรธหมอ ย, ยังมีความรักความชังความโกรธอยู่นี่อยู่ใครรักษาให้ไม่ได้ตัวของเราเองต้องรักษาแต่ถ้ารู้จักวิธีการรักษาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เอาธรรมะของอพุทธธรรมมาใช้นี่มาใช้ทุกคนสามารถที่จะเอามาใช้ได้นี่ได้ธรรมโอสถเอาไปใช้ได้ก็คือสติสัมปชัญญะเดี๋ยวนี้เราวิตกกังวลรัวความชิด เอาความคิดมาเป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งของจิตของตอนเองนี่ตนเองทำไมมันไม่หายทำไมมันไม่หายอันนี้เราเรียกว่าความจิตเป็นโรคเมื่อจิตเป็นลักษณะเป็นโรคขึ้นมาจะเราจะไปหาใครมารักษาถ้าเราไม่รักษาตัวของเราเองใช่ใช่ใช่ใช่แล้วแลวใช่เดียจะลองลองทดลองลองดูไวมล่ะมันมันก็คิดอยู่นะไม่ต้องคิดแล้วล่ะหมดเวลาคิดแล้วถ้ามวัวแต่คิดนี่ โยมก็ยังต้องตกทุกข์อย่างนี้ต่อไปเป็นสองปีสามปีสิบปีก็ไม่หายนกันไม่ต้องคิดทาเลยจับเลยจับความรู้สึกจะหายใจเข้ า, าไม่หรือว่าศาสนาพุทธเขาไม่ไม่นับถือศาสนาพุทธจะหายใจเข้าเย yeah หายใจออกซูก็ได้เยซูเยซูหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั้นนยได้เลยมนไม่ต้องพุทธก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องโฟงโก็ได้เอาเลยเยซูเยซูเอาไเลย เมีนมโนอบ้านในนอว่าแต่เนาะมันสอนพิษหสอนส่งลงไปเลยเออลองดูนี่ลองเออจะจะทดลองลองดูจะทดลองลองดูดององดพอโยมเคนนี้ล้วเขาก็มาเขาก็มาบ่อยบ่อมาวัดกีบ่บ่อยบ่อยนี่บ่อยพอก็เลยกล้ากล้าพูดเขาก็กลา้ า, ล า, า, ล า, าเหมือนกันนะกล้าพระเหมือนกันกล้าพระไหว้พระเหมือนกล้าอะไรไอซิตเตอร์หรืออะไรเข้ามาทําบุญเขาก็มาทําบุญมาเออดีนี่ดีมาได้จักอาหารบุฟเฟ่แบบวัดเรานี่ยเออชอบว่างั้น อ่าพพกฟิลิปปินมาแล้วก็มาชอบชอบเออดีดีดก็เลยเออเอเข้าดีเรานี่เขาจะมาล่อเราให้ออกไปหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาเข้ามาหาเราวะก็ยังคิดทเนี้ก็คงไม่เป็นไรมาแล้วก็บอกเนะมาแล้วก็แนะมาแล้วก็สอนสอนให้สอนได้นี่ได้ไม่ไม่ไม่จํากัดเพราะคนทุกคนมีจิตมีใจเหมือนกันทั้งหมดใจทุกคนมีไม่รู้ไม่ไม่รู้นัไม่ว่านับถือศาสนาอะไรคิดอิสลามพุทธ ดูซิกอะไรต่างๆก็มีจิตมีใจเหมือนกันนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อใจิตใจเป็นทุกข์เราจะหาวิธีการแก้ทุกข์เราไม่ต้องเอาเราไม่ต้องมาพูดเอาว่าคําสอนพระพุทธเจ้าหรือเป็นคําสอนของใครเนื้อของใครขอให้มีสติทุกคนถ้ามีสติสมัญชันยะอยู่ได้ยืนหยัดอยู่ได้มีความรู้พร้อมมีความรู้รตัวตื่นตัวอยู่เสมอในเสมอถือว่าเอาไปใช้ได้ทั้งหมดนี้ทั้งหมดไม่ต้องไปแบ่งแยกแบ่งชั้นวันนะพระพุทธเจ้าบอกมาแล้วตัดมาแล้วกล่าวมาแล้ววันณน้สีของอินเดียนั้นพระพุทธเจ้า มาแล้วนี่มาแล้วแต่ในนี้เรากลายเป็นยัว่าถือวันนะอะความศักดิ์เออความสูงความศักดิ์ความไรต่างๆความส า, า, ามรพัด ท, ที่มันเกิดขึ้นมาทิศขีของพระมณะของโยมเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเรียกว่าอะไรคุณ น, นางอะไรคุณ น, นางพระจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตของเราตัวนี้แหละเป็นส่วนที่สําคัญจะไปอยู่ที่ไหนนี่ก็ตามนี้ก็ตามถ้าจิตใจของเรายังเป็นทุกข์อยู่เราสามารถที่จะแก้สามารถที่จะคน ผ่อนคลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากใจของเราอย่าไปอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเรามาสนใจกับตัวของเราเองสนใจอยู่ใกล้ๆตัวของเราเองให้มากที่สุด ท, ที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะทํากุศลเกิดขึ้นกุศลที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดจิตของเรามีเมื่อไหร่จมีสติสมชัญญะเมื่อจิตของเรามีสติสมชัญญะจิตเราไม่ได้ปรุงแต่งจิตเราไม่หวั่นไหวจิตแต่ของเราไม่มวิตกกงังวลกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมามีความเป็น มีสติสำมัญชัญญาคอยป้องกันกิจใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่เวลามันไม่ได้ไปทําบาปกใครแต่ถ้ามันเผลอเมื่อไหร่นี่เมื่อไหร่แม้แต่มือไม่ทําแม้แต่ใจก็ยังทําใจคิดจะฆ่าใจคิดจะโกรธใจผูกโกรธผูกเกลียดพยาบาทต่างๆต่างๆเกิดขึ้นใครเป็นทุกข์แม่พูดดา่าตั้งวันนั้นน่ะเอ๊ะมโมโห น, น่าจะแล้วพอด่าเสร็จที่เสร็จเขากลับไปนอนหลับปุ้ยอยู่ที่บ้านแล้วกลับไปเอาเจ็บเอาคําด่าของเขาได้มามามด่าอย่างนั้นมันดา่าอย่างนี้ ด่าที่จะเอาแล้วก็เอาคําพูดเข้ามาด่าตนเองอีกเขาด่าแล้วมัน แ, แ, แล้วเอาคาพูดของตนเองมาด่าตนเองเตียงนอนไม่หลับนี้ไม่หล่บการเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ขึ้นมาอีกโอ้เขาดา่าเขาด่าจบแล้วในช่วงเลยนะระยะนั้นแต่ว่าเราเอากลับเอาความคิดเอาความพูดคาอะไรต่างๆเข้ามาดา่าเราจบพูดเอาทบ่วนความรู้ความเก่า ๆ, ๆของเขาเนี่เข้ามาให้เราอู้จะนอนไม่หลับนี่ไมนหลับเดือดร้อนถึงพระก็คืนนอนไม่หลับหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้หน่อยอะไรเป็นอะไร ผู้สึวันนี้ถูกเ้าดา่าด่าแล้วทําไมมันด่ า, า, าแล้วเขาด่าแล้วคําด่าแล้วก็มันนอนมันมนอนชิดมือกอนิ้วอุย้ยมันนอนไม่หลับที่มันหลับ่นมันเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวอะไรกับอัตมาด้วยหรือเหตุตรงไหนที่เหตุหเกี่ยนตรงไห น, นมันเกิดขึ้นตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นเด็ไม่ได้เกี่ยวกับอัตมาด้วยทำยังไงอ่ะก็อยากจะมาปรึกษาเอาปรึกษาก็ปรึกษาลองดูว่ายังไงจะเอายังไงเดี๋ยวนี้มันกรรมอยู่ใช่ไหมกรรม ค, คดาด่าเขา อ, อยู่ใช่ไหมก็ปล่อยมันก็เลยหาหา เอาไอ้คือวัตถุแล้วก็มากําตรงนี้ถ้าเราทิศมือวอย่างนี้ถ้าก่อนอะกํำไว้อย่างนี้มันไม่หล่นแต่ถ้ากำอางนี้เราไปออกอย่างนี้หล่นนั<ด>่งนะคืออะไรมันหล่นอะไรมันแด่อะไรมันหล่นอะไรมันแด่ก็ไม่รู้แหละอันนี้ลรามันหล่นอันนี้ลรามันแด่เออใช่ใช่ใช่ใช่ เขาด่าเราตั้งเขาด่าเราเขาก็จบไปแล้วแต่เราเอาคําด่าของเขามาด่าเราตลอดเวลาตลอดทั้งคืนโอ้ทาไมมันโง่อย่างนี้ไม่ได้โง่หรอกแต่มันหลงเพราะฉะนั้นความคําด่าคําพูดคําอะไรต่างๆที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ขึ้นมาถ้าเราไปจับเหมือนกับมีสมัยหนึ่งพิศสูรูปหนึ่งอาจารย์กับลูกศิษย์อ่าเดินเดินทางเดินทางอย่างพอดีเดินทางไปถึงแม่น้ำทุบหนึ่งกันน้ำกันลังไยหลากพวกญี่ปุ่นเขาก็ใส่อะไรใส่ชุดอะไรของเขา ในยาวๆอะไรพวกเาน่ออะแก่ข้ามน้ํารู้สึกมันก็ข้ามไม่ได้ร้องนั่งกระวนยืนกระวนกระวายทํำเลยผุดลุกผุดนั่งอยู่อาจารย์อาจารย์เสซนรูปนั้นมานี่มาอาจารย์เซน ร, รูปนั้นมาไม่ไม่ฟังนิราฆะอิลมอะไรต่างๆพอกลัเข้ามาปุ๊บอุ้มหญิงคนนั้นข้ามฝั่งนั้นไปวางไว้ตรงนั้นก็เดินไปช่ย ไอ้ลูกศิษย์เดินตามก้นมาสิโอ้ยตายแล้ว อ, อาจารย์ไ ป, ไปอุ่มศีกขาเลยมันเป็นบาปเป็นกรรมปิดพิในของพระของสงฆ์เลยทำยังไงอาจารย์เอ้ยทำไมใครมาเห็นม่ทํำยังไงอาจารย์อาจารย์อาจาจรย์แต่อาจารย์เดินไปเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวางเสร็จแล้วก็ไปไปไ ป, ไปเดินไปถึงบ้านถึงกุฏิถึงถงวัดอวัดก็ผุดลูกผุดนั่งอาจารย์เห็นแล้วก็อากาศกิศริยาของลูกศิษย์แล้วก็เลยถามว่าเธอเป็นอะไร อาจารย์ครับผมไม่ได้พูดยี่แย่แล้วเนีมันอัดอั้งตันใจเหลือเกินนี่เป็นอะไรเราอ๋อกลางวันนี้อาจารย์ทําอะไรเลแล้วทําเราทําอะไรเลยเอาทาอะไรอยู่ที่ไอฝั่งแม่น้ำน่ะอุ้มผู้หญิงแล้วอุ้มไปทําไมนี่ทําไมมันผิดวินัยไม่ใช่เหรอแล้วไอเราอุ้มเราก็วางอยู่ตรงฝั่งนะอุ้มจากฝั่งนั้นข้ามมาฝั่งแล้วก็วางอยู่ตรงฝั่งนะเราไม่ได้อุ้มมาถึงวัดนะแต่เธอนี่อุ้มมาถึงวัดเลยเนี่ย อาจารย์กาบอาจารย์ ง, งามๆออใช่ไหมเออใช่เราเราเรานี่บ้าเองผมกับผมนี่บ้าเองอาจารย์แต่บอกพูดแบบนี้ไม่ได้บอกให้พระไปอุ้มชูบยมนาเฮ้ยไม่ยึดมั่นที่มั่นเราเ้มันคนละเรื่องกันนาจะไปจะไ ป, จ ะ, ไปจะเป็นลี้อ่านนาเพราะฉะนั้นอันนี้คืออเรื่องของของเซนพระเซนที่เขามีนี่ก็เป็นอาจจาเป็นก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ จ, จะเป็นเรื่องแต่งปรุงอา่าแต่งขึ้นมาก็ได้นี่ก็ได้ เพื่อเป็นการให้เรามีคํำนี้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดเคยถือมานี่มาเราปลดปล่อยใชบ้างเราปล่อยเราวางใช่บ้างถ้าไม่รู้จะปล่อยไม่รู้จะวางทําบุญทํากุศลอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ทําันนี้อะไรขึ้นมาทําสติสัมปชัญญะขึ้นมาเกิดขึ้นว่าปุ๊บปั๊บเห็นแล้วโอ้เหมือนกับวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกับสมถกรรมฐานเหมือ น, นกันถ้าเราเข้าใจเรื่องอารมณ์รูปนามก็ไปชัดชัดชัดแจ้งอารมณ์รูปนามรูปทำนามทำรูปโลกนามโลก รู้ทุกขังอนิจจังอนัตตารู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้สมุติต่างๆสิ่งเหล่านี้พอมันจบลงไปแล้วจะมองเห็นหนทางเลยว่าออการทําวิปัสสนากรรมฐานกับการทําสมถกรรมฐานนี่มันต่างกันเรางพ่อเตียนให้คําว่าเป็นเพื่อนกันแต่พอถึงอีกจุดจุดหนึ่งไม่ไว้ใจกันไม่ได้สมถกรรมฐานทําให้เราหลงไปหลงออกไปนี่ออกไปติดไปยึดติดอยู่กับความสงบพอใจอยู่กับความสงบอิ่มอยู่กับความสงบสุขอยู่กับความสงบ ไอ้พวกนี้อยู่กับสังคมไม่คได้อยู่กับสังคมไม่คได้เห็นคนอื่นเขาทําเหมือนแต่โยมคนหนึ่งมาเหมือนกันปฏิบัติทำมาเลยสิบกว่ปีนี้งกว่ปีขนาดเขาภ อ, อยขนาดแตนตนเองทำกับข้าวให้ทานให้รับประทานทั้งวันนี้ทั้งอยู่ตลอดนี้ตลอดเขาทําเขาโขกเขาโขกพลิกโขกอะไรต่างๆนี้มันเกิดลาําคาลไม่อยากจะได้ยินไม่อยากยินเสียงลูกๆูกหลานก็เบื่อเกิดก็เบื่อนี่เบื่อโยมไอ้ไอ้ไอ้ที่เบื่อนี้มันมันเกิดขึ้นจากอะไรก็ผมกําลังต้องการความสงบระวังนั้น แล้วคมสงบมันอยู่ตรงไหนล่ะก็ไม่อยากให้มียินเสียงได้ไม่อยา้ไม่อยากให้ด้ยินเสียงอะไรเลยนี่เลยโยมถ้าถ้าอย่างนั้นไปอาจจะมาจะพาไปหาที่สงบสงัดไปอยู่ที่ไหนล่ะใต้ทะเลไปนัอยู่ใต้ทะเลเลยไม่ต้องสนใจใครใครก็ไม่เห็นไปนั่งทําสมาธิอยู่ใต้ท้องทะเลนสบายเชื่อไหมว่าถ้ายมแม้แต่โยมจะเข้าไปอยู่ใต้ท้องทะเลนทะเลแต่ความชิดมันยังเกิดขึ้นอยู่ ความปรุงความแต่งนี่มันเกิดขึ้นอยู่นี่ขึ้นอยู่แล้วเราย้อนทํำยังไงต้นเหตุมันเกิดจากที่ไหนต้นเหตุมันไม่ใช่เกิดจากที่ที่ไออเสียงที่หกหกคลิกหกกันนั้นเสียงที่มันเกิดกระทบใจของเรานี้ของเราที่เราเอาใจของเราไปจดจ่อยจดจ้องอยังไงเสียงอะไรนั้นนี่นะเขาเล่าว่าฟังเสียงฟังเสียงทุกเสียงให้เป็นเสียงพระสวดมนต์ดูค น, นทุกคนให้เป็นพระบุรีเจ้าแต่ น, นี้เราฟังเสียงทุกเสียงมันก็เสียงเปตะเสียงยักษ์ดูคนทุกคนเหมือนกับอสุรกาย ทั้งๆ ท, ที่เขาก็ทําอาหารทําอะไรต่างให้เราทานรับประทานอยู่ตลอดเวลานีกเวลาแล้วเราเราไปใส่ใจเราไปสนใจกันเราต้องการแอาความสงบลับกษณะความสงบนั้นคือความเห็นแก่ตัวของตนเองเมื่อก่อนเนี่ยจะมาบวชเข้ามานีขก็ามาคิดว่าออดูแล้วสังคมไม่แต่แม่เต่บ้านไม่แต่วัดไม่แต่ตตทําอะไรต่างๆรู้สึกก็บเบื่อเบื่อคนเบื่อคนอยากจะหนีจากคนได้กดธได้บาดก็คิดเอาเจ้นี้ไปอยู่ในป่านอ้ไม่อยู่กับไม่อยู่กับคนละ ใชหมฮองเอ้าฮเผือกฮมันกินอยู่ทลางป่ากลางดงกลางเขากลางป่านั่นอยู่คนเดียวสงบดีแท้คิดเอาเองนี่เอาเองมันความคิดอีกผุดเอช่วงคิดอีกคิดหนความคิดอีกหนึ่งหนึ่งขึ้นผุดขึ้นมาว่าเอ้าแล้วจับดูหัวจับดูแขนจับดูอะไรต่างๆัวตัวเราตัวเอ้าไอ้เราก็คนนี่ไงไอ้เราก็คนจะหนีคนไปอยู่กับอยู่กับคนแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนี่ที่ไหนฮะ หาคนให้มันเจอหาคําตอบให้มันได้เมื่อหาได้ด้วยการการเจริญสติตัวนี้มันหาได้ไดคําตอบทันทีแล้วโอ้เราไม่ต้องหนีคนแล้วอยู่กับคนให้อยู่เป็นเป็นความสงบเขาจะวุ่นวายเขาจะสอบสวนยังไงก็าตามนี้ก็าตามเราอยู่เราสงบของตัวของเราเองได้ใจของเรามันสงบเมื่อใจของเราสงบคนอื่นเขาเขาจะไม่สงบก็ช่างเขาเป็นไรไม่ใช่เรื่องของเราแต่ส่วนใหญ่นั้นเราเอาเอาความรู้สึกของเราไปเป็นกับคนอื่นไปมากทั้งหมดนี่สมอลืมตัวเองไปหมดนี่ไปหมด เป็นแทนเขาองเป็นแทนคนอื่นเขาหมดคิดก็คิดแอนคนอื่นเขาหมดนี่เขาหมดเหมือนกับข้อคิดถึงลูกอคิดอยากจะให้ลูกอยากจะให้ลูกสร้างฐานะให้ลูกให้เต้าสร้างสมะอะไรต่างๆว่าเพื่อลูกเพื่อเต้าให้เขาได้สุขสบายนี้สบายเยวต่อไปอนาคตทางหน้าเขาจะไม่ได้ลาบากเนี่ยมันคิดแต่คนอื่นทั้งหลอดนี่ตลอดเพราะฉะนั้นการคิดตัวนี้เรามันมันทําให้เราต้องต้องขวนขวายต้องดิ้นรนต้องหาตลอดเวลานี้เวลา การเป็นอยู่การทําอะไรต่างๆก็ตามนี้ก็ตามถ้าเราทําลงไปแล้วเออมันสุขสบายมันพอดีกับตนเองนี้ตนเองอยู่บ้างให้เขาให้คนอื่นก็หาบ้างลูกหลานตั้งแต่ปู่ย่าตายายสังเกตดูว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเมื่อได้รับความทุกข์ทรมานมาทาความลําบากมาจากแต่ก่อนนี้แต่ก่อนพอตอนเองได้ลูกได้สร้างลูกได้ลูกได้ขึ้นมานี้ขึ้นมาไม่อยากจะให้ลูกลําบากพยายามที่จะขนขวายหาพยายามที่จะอะไรปีหนึ่งอาอนุสสา์ ลูกสาวเรียนอยู่อนุบาลสามอนุบาลท่นี่้ป้อนพ่ออยากได้รองเท้าพ่อก็บอกลูกรองเท้าก็มีตั้งสองามคู่แล้วจะซื้อมาทําไมเยอะแยะก็อยากได้ใหมอ่อ่ะคุณพ่อซื้อให้หน่อยสิแล้วเขาก็เขาเขาก็สอนเขาก็ถามลูกร็บอกลูกว่าลูกสมัยพ่อคุณพ่อเรียนหนังสือลูกพ่อไม่ไม่ได้ใส่รองเท้านะลูกนะพ่อไม่มีรองเท้าใส่นะรองเท้ า, เ, าเดินเท้าเปล่านะเดินไปโรงเรียนมนาะ ลูกเขตอบว่างไงรู้ไหมเขาไม่เชื่อเราว่าสมัยคุณพ่อยังไม่มีรองเท้าใส่เด็กมองไม่ไม่เห็นภาพเพราะอะไรตั้งท้องได้ห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนเตรียมซื้อรองเท้าซื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆเอาไว้ให้เขาบกหมวกใครต่างๆสารพัดเตรียมไว้ตั้งแต่ในท้องนุนตังกกับเราอะ่ะเตรียมไว้หมดทีด่ไม่หมดเขาเลยมองไม่เห็นภาพเลย กอเห็นจะบอกโอ้โเกิดขึ้นมามีแต่ของมีแต่ของเหี้เหมือนกับหลวงพ่เทียนหลวงปูง่เทียนท่านเล่านียเหมือนกับเทวดากับนอนน่ะนอนตกใจในถังส้วมของพระหรือของโยมก็แล้วแต่เนาะเทวดาไปเกิดบนสวรรค์พอไปเกิดบนสวรรค์นี่ก็ตามหาเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนไอ้นี้กันมากนี่กันมาเ พ, าพาื่อนนีกันมากพอตายพอตายเสร็จก็มาหาการถามหาถามพอเห็นกันแล้วก็ถามสาธารณสุกบิบกันนี่กันอ๋อทําไมไมาอยู่เนี้ยแล้วเพื่อนอไปจากไหนมาไปอยู่สวรรค์ สวรรค์ตรงไหนน่ะโอ้ยเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไ ง, ไงโอ้ยสวรรค์ น, นี่สบายสบายสบายยังไงอ่ะอ้าวไปอยากกินอะไรนึกเอานึกคิดเอานึกเอาก็ได้กินได้ได้เสื้อผ้าจะได้บ้านหลังน้ำงามนึกเอาคิดเอาโอ้ยสบายสบายอะขึ้นไปอยู่สวรรค์นะเพื่อนโอเป็นอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเราอยู่เนี่ยเราไม่ได้นึกไปคิดอะไรเลย ตื่นเช้ามีคนออกมาเอามาให้มาส่งนี่ตลอดเวลาทิกซ้ายทิศขวากระดิกเขงหัวค้างไปหมดมันมันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปนึกไปชิดอะไรมันลําบากขนาดนั้นเลยเอเพื่อนเป็นเทวดาเนี่ยมามาอยู่กับเราเไม่ต้องนึกต้องคิดอะไรเลยเพื่อนอันนั้นมันไม่ใช่อาหารชิดนั่นแหละอาหารไม่ใช่อาหารนั้นเป็นชีเลยเนะี่ยโอ้เพื่อนแล้วแล้วแล้วเมืองสวรรค์เนี่ยมีชีหรือเปล่าเพื่อนนะ แม่มันก็ไม่มีอะไรเป็นเของชิปชี้กับชี้ชิปหรือเว้ยมันมันมีทำไมชิดไอ้เชี่ยวโอ้ยแต่ถ้าสวรรค์ไม่มีชี้ก็ไปนํานํานาเองไม่ได้หรอกเพื่อนเออไปซะไปอยู่สวรรค์ซะก็ดิกหัวเรามิดไปเลยนี่ไปเลยดูสิอันนี้คือความสุขของของของของคนที่หลงผิดคิดว่าอารมณ์คิดว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆที่ตนเองคนคอยหามานี่มาแต่จริงๆแล้วความสุขมันไม่อยู่ตรงนั้น ความสุขมันอยู่ตรงจิตของเรามีความสงบเมื่อจิตของเรามีความสงบตรงนั้นมั like oh นจะเกิดสติเกิดบรรญาาเรามองเห็นมองภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นนี่มากขึ้นดังนั้นว่าการประพฤติปฏิบ so ัติของเราก็ดีนี่ก็ดีการทําจิตของเราก็ดีนี่ก็ดีการชาระจิตของเราให้ข่าวรอบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่สุดไม่ใช่จิตใจทําจิตใจของเราให้หมักหมมจิตใจของเราคนมัวอยู่ตลอดเวลานี่เวลายิ่งปัจจุบันนี้โลกโลกเขากําลังเห่อกำลังทําอะไรต่างๆสารพัดอย่างสองวันสามวันที่ผ่านมาวันสองวันที่ผ่านมา อาตมาอยากจะพูดว่าเป็นวันแห่งรักชิบูชากรรมรม